เมื่อเวลาได้เปลี่ยนไปใจของเธอก็เริ่มหา่างออกไปทุกท <The voice of the language> อยากจะมีคำบางคำจะบอกให้เธอไม่จากไปบอกให้เอได้รับรู้ว่าพวกฉัน น, นรักเธอทเท่าไหร่ว่าเวลามันยังเดินไปสู่ความจริงที่ปวดใจอยากยืน ที่คิดจะตัดใจไปให้ห่างให้ชีวิตเธอได้เริ่มใหม่ทุกครั้งฉันเองก็หนักใจเมื่อตัวฉันเมื่อใจฉันไม่ยอมรับอยากจะมีคำบังคำจะบอกให What type? y a you e